บุ๊กทูเจ็ดสิบเจ็ดทั่วที่เชื่อซึ่งค п บลีราทั่วทีหตุผลบางประการสามซึสุก็ขึ้นกยิ่งเผก ทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะเสดะตรตเจมุชรดะตรตเจมุชรดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะนนดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะ ส์อาร์ส์ชิรับสุดา r ่อแม่จะฆ่ з ฉันไฟฉันอาร์ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะสุดาพจส์เพีวุเจ ดิฉันต้องขับรถค่ะเซมาชินอร์สฟินฟซมาชินเร์เจสฟินดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะซอชซิมอรจรมาชินเร์เจสฟินฟอส์ารซชซิมนอรจรมาชินร์ จีสฟันไฟชอาร์ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะสดะกาแฟุจจิมสอ ร, ร์ช ม, ชรรมันเย็นแล้วคะ่ะอาร์ชัอชดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วคะ่ะ สั่งให้ซื้อจัมส์สวรรคร์ชื่ออะไทำไมคุณไม่ดื่มชาคะสดชาช้จัวสชมสวรร์ดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะ เซชุซีอ <soaking> ์ซโชุกซีอดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้าตาลค่ะซชซมส์ซอร์โชุซอบ์สอาร่ซชซมส์ซอร์โชุกซีอบ์สอาร่ทไมคุณไม่ทานซุป สดุดาเล็บซ์ซรเมุชรสดาเลบซ์ซ์เ่อมุชฮ์รรดิฉันไม่ได้สั่งค่ะซอัชซึกเอ เ, กเออูราบซัซเเอูาบดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะเซอรซึกเอซมุชฮ์รรกัสฟะฮนู ซึ่งเอชยาอุกาห์กทําไมคุณไม่ทานเนื้อคะ่งเดลิร่ิดิฉันเป็นมังสวิัตค่ะ ดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัติค่ะ